ที่เราปฏิบัติโดยวิธีการพจ น, นิยมมันพ้นเน้นหลักความเข้าใจก่อนถ้าคนเราถ้าเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําได้ดีแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันทําแบบฝึกฝืืนๆแต่ความเข้าใจนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยศรัทธานะถ้าเข้าใจแล้วแต่ว่าไม่ศรัทธาก็ไม่ได้เหมือนกันเทราะะฉนั้นแต่ระหว่างศรัทธากับปัญญาเนี่ยอะไรสําคัญกว่า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 ดับนี่เป็นต้นถ้าาขึ้นมันก็เกิดแสงสว่างเอาคัดเอาขึ้นถ้าาลงเอาให้ดับถ้าปรจาจจาะคัดเอาตรงนี้ไม่มีสถับระพันไฟก็อันตรายใช่ไหมต่อตรงแต่นั้นเองเราก็ชีวิตของเราก็มีดำเนินจากสองาเป็นสี่เป็น8ปดเป็น16บแตกตัวไปเรื่อยเยเป็นอามิวา นจนกระทั่งมาเป็นชีวิตของเราทีนี้เมื่อเราจะเข้าถึงต้นตอของชีวิตก็ย้อนจากหลา ก, หล า, ก, ห, ลากหลายหลยที่ไม่แยกตัวกลับไปหาต้นตอเดิมของมันย้อนไปถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ต้นตอเนีน่ยเราก็จะสับสนเรื่องราวของชีวิต ท, ทีนี้เรามาพูดถึงในช่วงที่เราจะเป็นประโยชน์ที่จะใช้เป็นสื่อทําความเข้าใจว่า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 อาการเหล่านี้นจะมีกี่อาการก็ตาแต่จะเหลือสองประเภทคือความรู้สึกสบายและไม่สบาย<ม> ท, ที่นี้จิตของเราก็เหมือนกันจะจะเป็นความทุกทรมานทุกตนหมุนไหม้หรือความสุขเลิศเลอกี่รอยกีพันธุ์ความยินดีความพอใจยังไงก็ตามแต่สรุปแล้วก็เหลือสองเหมือนกันก็คือความรู้สึกสบายใจและไม่สบายใจนั่นเอง<ม>ทีนี้เมื่อ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 ไม่มีนามอยู่ในนั้นก็เรียกว่าเป็นสมถานอกพุทธศาสนาให้เข้าใจนี่ก่อนนะดังนั้นการปฏิบัติในวิธีการอภวพเทียนที่ถูกต้องคือใช้ทั้งความรู้สึกทั้งในรูปและในนามทั้งในกายในใจมาเป็นนิมิกรงมฐานไปพร้อมๆกันทำทั้งสมถาวิปัสสนาไปพร้อมๆกันถ้าใครจะมาถามว่าวิธีการอลวพเทียนเป็นสมถะหรือเปบเป็นได้ทั้งสองอย่าง แล้วว่าแต่ในช่วงไหนคุณจะเอาความรู้สึกอันไหนเป็น mm hmm. นิมิตอารมณ์เป็นที่ตั้งของอารมณ์เพราะบางครั้งเนี่ยใจของเราก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีความรู้สึกเสมอไปใช่ไหมบางครั้งมันก็เฉยเฉยมีความสบาย <Okay. S 1> ก็ไม่มีความไม่สบาย mm hmm. ก็ไม่มีใช่ไหมะละักษณะอย่างเนี้ยแต่ความรู้สึกทางกายยังมีอยู่ไหม mm hmm. มีอยู่นี่ลักษณะนี้เราก็เอาความรู้สึกทางกายเป็นอารมณ์ mm hmm. นี่เป็นสมถะบางครั้งจิตเราก็จะมาอยู่สมถะ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 ถ้า เ, า, ถ า, เาเอาความปวดความเมื่อยเป็นท <Career gem. S 2> ี่ ต, ok? unity, ตั้งของการเฝ้าดูก็เป็นสมถะแต่ถ้าเอาความพอใจไม่พอใจความชอบรักเกียรติชังเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดูชินว่าออรู้สึกพอใจก็ดูความพอใจเอความพอใจเป็นอย่างนี้ความไม่พอใจนี้การเข้าไปดูความพอใจไม่พอใจความชอบรักเกียรตชังเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดูก็เป็นวิปัสสนาะทีนี้ถ้าจะถามว่า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 ความพอใจไม่พอใจเป็นสิ่งที่ถูกดูแล้วผู้ดูเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากนามก็เกิดจากรูปหน้าที่เรงถ้าพูดถึงเรองย้อนไปถึงหน้าที่ของจิตจิตประกอบด้วยขันกี่ขันฮะอา้าคือมาแล้วอ่ะ เ อ, อ, อเราได้วยขันกี่ขันห้าขันใช่ไหมห้าขันห้าขันก็คืออะไรบ้างรูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในตัวห้าขันเนี่ยมันเป็นตัวรู้โดยธรรมชาติมันเป็นตัวรู้โดยสัญชาตญาณที่มันไปอยู่ไกลๆกับรูปกับนามเมื่อกี้ที่เราว่ามาเนี่ยประกอบด้วยขันห้านี้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 เราไม่เคยทวงถามใช่ไหมแต่ความจริงมาจากตรงนี้ก็คือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันขันทั้งสามเนี่ยกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญานี่เองมารวมเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นตัวรู้ตัวนี้จึงเกิดจากตัวขันสามนั่นเองแล้วขันสามนี่มาจางไหนเพราะฉนั้นต้องย้อนลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่า ถ้าหลวงพ่อเห็นต้นไม้โอ้ต้นไม้ดอกไม้นี่สวยจังเนาะหลวงพ่อรู้ถูกหรือรู้ผิดในแทนเอดอดอกไม้นี่สวยจังเนี่ยหลวงพ่อรู้ถูกต้องไหมรอบแทนแ่พี่ก็ไม่ผิดเราะมาจึงก่อย่างนั้นทไมจงอย่างนั้นเพราะดูแล้วเออดอกไม้นี่สวยจังก็บอกว่าไม่ถูกนะ แต่ถูกมันควรจะเป็นยังไงควรจะดูว่าองไรมันเป็นดอกไม้ใช่มันเป็นดอกไม้ดอกไม้คืออะไรในท่าในวันหลวงพ่อดูว่าดอกไม้นี่สวยจังเนี่ยถามแทนบอกว่าหลวพ่อดูอย่างนี้ถูกไม่บอกไม่ถูกแต่ที่ถูกคนจะเป็นยังไงการดูดอกไม้นี่ควรจะดูยังไงถึงจะถูกก็เป็นดอกไม้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 เรเรียกว่ารูปหมดจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเพราะฉะนั้นจะดูดอกไม้ว่าสวยในแง่งของวิปัสสนาก็ผิดนะเพราะว่าเราดูเป็นสมมุติไปนะแต่ถ้าปรมาท่านจังเอาวิปัสสนาในวิปัสสนานั้นเอาปรมัาทเป็นอารมณ์ใช่ไหมวิปัสสนาเอาปรมัาทเป็นอารมณ์แต่ในสมถะนั้นเอาสมมุติเป็นอารมณ์เอออันนี้ลึกไปหน่อยนะดังนั้น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 ต้องไ ป, ไปตามกฎอันนี้ทั้งนั้นทุกขงังจังอนาาัจาอะไรนะทุกขงังิังอนาาัจจายาอเลียงผิดไปเลียงถูกนนถก็จะเป็นอรอ น, นจังถ น, นจังแต่หลวงพ่อเทียนถ้าเกาเรียกว่าทุกขังกันนะทุกขังอันนี้ยังอนัจาใช่ไหมเ <laughs> พราะเอ า, าการที่เด่นเด่นมาเป็นในนั้นก่อนแต่ลักษณะคือมันจะต้องประกอบไปสามอย่างสิ่งที่ว่าเป็นมันไม่ใช่ของจริงเพราะมันจะต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์สามอย่างเนี่ย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่สิ่งที่จะเป็นอารมณ์ของที่ตั้งของการเฝ้าดูเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวปรมัตดทางด้านวิปั ส, สนาดังนั้นหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อดูดอกไม้ว่าสวยเนี่ยก็ถือว่ารู้ผิดเพราะว่าความสวยงามสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเพียงรูปเป็นรูปอันหนึง่งตาเห็นเนี่ยรูปอันนี้ใคร ถามโยมโยมเรียวหาใครไอโยมเป็นใครมันสวัสดิ์นี่ไม่ถูกแล้วเป็นรูปอ่าเอาตอนนี้เป็นช่วงฟังไม่ใช่เป็นช่วงมาเคี้ยวอะไรเอาไว้ก่อนครับเออหลังจากนั้นก่อนเออไม่ยาอย่าเพิ่งกินเอออย่าเพิ่งทานเพราะฉะนั้นเวลา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 เป็นรูปใช่ไหมคือรูปของความไม่สบายอ่ารูปมันก็จะต้องมีอาการกี่ยงสิ่งไหนที่เป็นรูปสิ่งนั้นจะมีอาการเกี่ย่างเสมอสามอย่างคือมันเป็นที่แจ้งทุกขอังอัตร า, ตาไม่ใช่เป็นในแทนถ้าในแทนว่าฉันปวดท้องนี่ไม่ถูกแล้วว่ารูปมันไม่สบายเราก็ไม่ยึดถือความไม่สบายก็ดูความไม่สบา ย, ามมบายเออนี่ความไม่สบายสักแต่ว่าไม่สบายมันก็คือเกิดปัญญาขึ้นมาใช่ไหมอ่าแล้ว สบายหรือไม่สบายถ้าเราไปยึดมันก็จะไปทุกข์แต่รู้สบายไม่สบายทุกข์ก็มันถูกต้องแล้วมันทุกข์เพราะมันเป็นหน้าที่ของมันะเพราะมันต้องทุกข์ใช่ไหมเพราะเป็นกุญของใจรักอ่ะแต่ถ้ามันไม่ทุกข์เดี๋ยวมันผิดอ่ะแต่ถ้ามันทุกข์มันถูกแล้วแล้วก็เข้าใจมันในที่สุดเราไม่ต้องกินยาเพราะยอมรับความเป็นจริงปวดไหกระยาอ่าปวดก็เดี๋ยวก็ดูความปวดไปเรื่อยๆหลวงพ่อรักษาปฏิบัติ อนี้๋อพร<อ>ูว่าพออะไรไม่รู้ไม่รู้ตอนเหตุอะตอนทานอนะเราไม่ได้ทานดูเหตุมันว่าทานอะไรเข้าไปถึงผิดทาตตัวเอง <c oughs> เออนั่นแล้วก็ดูทา่าของเรา <c oughs> ดังนั้นอันนี้คือชีวิตประจําวันเราสัมพันธ์กับความจริงแต่ละเวลาแต่เราไม่ได้เห็นความจริงเอาแล้วทีเ่อกี้หวงพ่เกินเอาไว้ว่ารู้อย่างไรถูกรู้อย่างไรผิด พ่อหลวงพ่อพูดถึงว่าไอ้ตัวรู้มาจากไหนใช่ไหมที่หลวงพ่อเริ่มเกิดเมื่อกี้รู้รูปก็มีสองรู้คือรู้สึกในส่วนที่สบายไม่สบายในส่วนนาำก็มีสองรูปคือรู้ส่วนที่สบายและไม่สบายเหมือนกันสบายใจไม่สบายใจสบายกายไม่สบายใจแต่ใครเป็นผู้รู้อ่าหลวงพ่อก็บอกเออศีล ส, สมาธิปัญญามาเป็นแล้วศีลสมาธิปัญญามาจากไหนก็ขันห้าเรารู้ที่ไปที่มาละวใช่ไหม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 แต่มันถูกตามสมมุติแต่มันผิดปรมัตดแต่พอไปรู้ว่าเป็นรูปมันถูกปรมัตดแต่มันผิดสมมุติเห็นไหมใช่ปรมัดคือความจริงความจริงความจริงจะมีหนึ่งเดียวรูปในทั้งหลายในโลกนี่ที่ตาสัมผัสได้เป็นรูปหมดนะก็คือเป็นสมมติหมดเป็นสมมุติหมดที่ตาสัมผัสได้หูสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้เป็นรูปหมด แต่สิ่งที่สัมผัสโดยด้วยใจนั้นเป็นนามนมีรูปเ ป, เป็นปรมตัตปรมตัตคือใจสัมผัสได้แต่ตาหูจมูกเลี้ยงใจนีน้กายสัมผัสได้เป็นสมมติเอาละทีนี้กาลังจะมาสู่ประเด็นว่าตัวรู้เนี่ยมาจากไหนรู้ถูกรู้ผิดมาจากที่ว่าวิชาอาวิชาใช่ไหมถ้าเรารูอ้อันนี้เป็นรูป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 แลในตัวรู้ตัวนี้มันจะคอนเทนเอาศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นกำลังฝึกตัวรู้ตัวนี้ก็ลาฝึกอะไรฝึกศีลสมาธิปัญญาอ่าแลวขณะที่เราฝึกเนี่ยมันมันรู้ตัวตลอดไหมลไม่เผลอนะเลยใช่หมยว่าตลอดคือว่า ท, ท, ที่หลวงพ่อพาเดินไม่ตอนนี้หลวงพ่อกาลังถามตอนนี้ไม่ได้พาหลวงพ่อพาเดินคือว่ารู้ตลอดใช่ไตนนี้รู้บ้างไหมรู้เผลอบ้างไหม เผอไปเยอะแล้วคิดไปเยอะแล้วฮะฮะอ่าเผอเพราะในช่วงที่เผอก็มีคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้จะเอาอยัางไงหนะ้าฉันจะไปบ้านอย่างไรจะอยู่กับใครจะนอนอย่างไรเนี่ยตรงนี้เผอคิดไปแล้วใช่ไหมนั่นคือตัวรู้ขนาะนั้นตัวรู้ถูกไม่มีมีแต่ตัวรู้ผิดคือเข้าไปในความคิดเผอเหน่เห็นไหมขณะตลอดเวลามีทั้งตัวรู้ถูกและรู้ผิดถ้ารู้ถูกก็จะนําไปสู่ตัวรู้ที่นําไปดับทุกข์ ถ้ารู้ผิดก็จะนําไปสู่ตัวรู้ที่ทําให้เกิดทุกข์ใช่ไหมนี่อย่อางของอาจารย์อย่างกรณีที่ที่อาจารย์อธิบายไปแล้วผู้ยมทํากันอย่างเงี้ยคือเราคอนเซนเทรตอยู่ที่อาจารย์พูดเราก็ฟังเราก็พยายามทำความเข้าใจมือเนี่ยเรารู้ว่ามีแต่ว่าเราไม่ได้เพรสเอนเซนตรงนี้อย่างนี้ถือว่ า, าก็ในดูวาระจิตของเราเองเนี่ย เราสามารถรู้ได้ขณะเดียวกันถึงเจ็ดขณะคืเราเจ็ดชวนาจิตจิตของเราเนี่นะความเร็วของมันจิตชวนะในขณะหนึ่งขณะแต่คอนเทนท์ไม่จิตขณะเพราะฉะนั้นในขณะหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถรู้ได้เจ็ดอย่างในเวลาเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แค่สองอย่างคือการฟังและการยกมื อ, อ เ, เพราะฉะนั้นเหลืออีกตั้งห้าอย่างสบายมาก อ, อย่า ง, ย, างยกมือแล้วฟังด้วยนี่ว่าอยูไม่เป็นนะเออมันยังไม่คุ้น เราฟังก็ต้องฟังอย่างเดียวโอ้ไม่เวลาโยมทํางานเนี่ยโยมคุยกันไหมถ้าเรื่องไม่จำเป็นที่ล้งจานอย่างเงี้ยคุยได้ค่ะอ๋อก็นั่นดิจำเป็นไม่กล้า ค, คุยอ๋อนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> เวลาขับรถอ่ะคุยโดยสัพด้วยใช่ไหมคุยคุยในรถ ด, ด้วยใช่ไหม <c oughs> มือเหยียบนั้นด้วยใช่ไหมจับพวงมาลัยด้วยใช่ไหมดูรถคันอื่นด้วยใช่ไหมตั้งเยอะแยะเลยไม่เห็นงงเลย <c oughs> เพราะในกรณีนั้นเราคุ้นแล้ว จิตของเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ทางเยอะแยะรอบๆเนี่ยใช่ไหมคนขับรถรถข้างหน้าจะไปคดข้างหลังจะมาท่า้าจะเหยียบยังไงรอบจัดหมดเลยจิตมันมีความเร็วสูงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วมันจะไม่พอแต่ในกรณีที่มันไม่พอเพราะเรายังไม่คุ้นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเออสร้างจังหวะมาด้วยฟังไปด้วยไม่ถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราฟังรู้เรื่องแล้วก็สร้างจังหวะก็ถูกต้องด้วยเนี่ยมันก็ถูกแล้ว เออถ้าฟังไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็ฟร้างจย่หวะผิดคือ ผ, ผ, ผ, ผ, ผิดด้วยอันนั้นก็ผิดขึ้นอยู่ว่าในขนาดเท่านี้ต้องต้องดูเป็นกรณีไปเฉพาะแต่สีลว่าถูกหมดก็ไม่ผิดหมดก็ไม่ใช่เพราะขณะสร้างแย่หวะเนี่ยฟังก็รู้เรื่องมือก็ทําได้ถูกก็ถือว่าศักยภาพของตัวรู้นั้นพอที่จะรู้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าพอฟังแล้วยกมือแล้วฟังไม่รู้เรื่อง รืฟังรู้เรื่องแต่มือทอมผิดนี่แสดงว่าศักยภาพของการตัวรู้นั้นไม่พอก็อต้องฟังอันใดอันหนึ่งเข้าใจไหมโอเ ค, อเคถ้าฝึกต่อไปเขาก็จะชินกับการตัวรู้ก็จะก็จะรับรู้ได้รับรู้ได้มากขึ้นยิ่งชิญชินยิ่งคุ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ได้มากขึ้นเหมือนคนที่ขับรถใหม่ๆจะดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาไปไงเดี๋ยวรถชนกันเลยใช่ไหมเพราะไม่พร้อมไม่พร้ออันนั้นอาจจะไปยังอากาศเท่นี้แต่ถ้าคนที่เป็นแล้ว คิ้วไปหมดเลยใช่ไหมรถจะคันใหญ่ก็ไหนถอยท่าถอยหลังได้สบายมากแต่คนที่ขับรถไม่เป็นถอยนิดเดี๋ยวก็ชนปึ้งแล้วใช่ไหมขึ้นอยู่ก็มีทักษะใช่ไหมโยนลงมาดูที่เราฟังเป็นฟังได้ไม่เวลาท่างพูดจังอย่างนี้เออเออนีน่ยฟังได้แังนั้นก็มีแลมันจะไม่กลายเป็นสันธาจยาห อ, อ๋อ จะกลายเป็นสัญชตาตญาณหรือไม่นั้นเราเข้าใจมันได้ั้มว่าขณะที่เราฟังด้วยเราก็ทำานี้หรือทำเพื่ออะไรเนี่ยเรารู้เข้าใจไหมเข้าใจได้ไม่เป็นสัญชตาตญาณแต่มันก็เป็นญาณปัญญาเพราะว่าอย่างน้อยขณะที่นั่งฟังเฉยๆนะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยความทีของจิตมันสูงแต่ว่าสิ่งที่มันรับรู้ขนาดนี้มันมีโทนเดียวมันไม่พอ กำลังเรามีเยอะแต่ไปทํางานนิดเดียวเนี่ยโอ้ผมไม่อยากทํางานง่ายเกินไปเบาหนิดเดียวให้ใครทําก็ได้ใช่ไหมในทั่วไปนยะเออไปยกถุงปูนผุงแล้มาได้50ากิโลเออย่างนี้ไปเพราะมันสมกับกำลังของเราเอันี้ไปเอาแก้วมาให้หน่อยเดียวแก้วคุณใช้ใครก็ได้ไม่ต้องใช้ผมก็ได้ผมมีกําลังเตยเยอะจิตของเรามีพลังสูงแล้วให้มันทํางานเล็กนิดเดียวเนี่ยมันะเตลิดไปทัอื่นมีไหมเราฟังไปฟังมาเราเพลินคีดไปทั้งอื่นหูก็ฟังไปจิตก็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 เพราะมีตัวตัวนี้ค่อยปรับโฟกัสไม่ให้จิตเฉล็บกัทางอื่นเพราะตัวนี้ค่อยปรับโฟกัสเอาไว้เพราะฉะ น, นจึงไม่เป็นภารังอันนี้การวิเคราะห์ข อ, ของหลวงพ่อน ะ, ะพราะหลวงพ่อก่อนที่จะบอกให้ทําก็ทดสอบเพราะว่ามันบาลานซ์กันว่าจิตเออมันมีกําลังทํางานสมน้ำสมเนื้ออทํำภาระงฝังไปด้วยแล้วก็ทําภาลังในการเคลื่อนไหวไปด้วยนะะ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 ตรงนั้นเนี่ยไม่สราบมาจากไหนดีบ้างแล้วประเด็นที่ถามก็คือว่าตัวรู้ที่รู้อยู่นั้นคือมาจากไหนใช่ไหม <c oughs> เพราะนั่นเองเรากลังพูดนี่ไงเ <c oughs> ฟัง <c oughs> ไปอีกนิดเดียวไ <c oughs> ม่เช ย, ยังไม่จบ <c oughs> เรากลังจะพูดถึงอยู่เนี่ยยังไม่จบเพราะฉะนั้นตัวรู้เรากำลังสร้างนี่ไงมันมาจากตัวที่เราสร้างขึ้นใช่ไหม <c oughs> สร้างขึ้นลมหายใจเนี่ยเรา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 อายใจเข้านี่มันมีรู้ชัดๆเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ตัวรู้ลมเกิดแล้วใช่ไห ม, ไหมแล้วก็ทําตามพิสูจน์ออกมาเป็นภาวนาเมย์ปัญญานั่นเพราะฉะนั้นตัวรู้ตรงนี้ก็คือตัวเกิดจากปัญญาและปัญญาตรงนี้เกิดหนึ่งเกิดจากได้กินได้ยินได้ฟังสองนำมาพิจารณาให้คนหาเหตุผลสามมีการพิสูจน์ก็เป็นขบวนการตัวรู้คุนขบวนการเกิดโดยปัญญาแต่ถ้าเราทําย้ํำๆยๆยยยไปเลยตัวรู้ตรงนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นจาก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 ไงมันโค่เออความมันต่อเนื่องรนานเปะเลยถูกต้องต่อเนื่องทีนี้จะทาไงให้มันต่อเนื่องมันทําไหา่จะเผยอยู่เลยต้องมีสติต้องมีติตามต้องมีศรัทธาที่จะรู้มีความพอใจมีความรักที่จะรู้ที่จะตามแต่ถ้าเรามีความรักมากพอเราก็ตามบ้างไม่ตามบ้างใช่ไหมความต่อเนื่องก็ขาดไปแต่ถ้าหากว่าเรา นั่งทำอย่างอย่างต่อเนื่องเนี่ยไหวไหมทั้งวันไม่ไหว่ะเพราะเดี๋ยวหนึ่งมันมีเรื่องที่ต้องไปทำมีเรื่องต้องทั้งคิดอะ่ะใช่แต่โยมชอบที่ท่านอาจารย์สอนว่าตึงมันนตึงมันไม่สบายขึ้นมาแล้ว อ, ะอ่ะก็ให้ดูความเวทนาเสร็จแท่านบอกให้อัญญาให้เปลี่ยนท่าอพอเปลี่ยนตอนที่เปลี่ยนก็มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแล้วทีนี้เดินไปเดินมาอะไรก็พาให้รู้สึกเพว่า ทั้งวันเลยทวันรู้สึกว่าีรู้สึกตัวอยู่ตลอดเลยไม่ขาดสายไม่ขาด ส, <ล>สายใช่ไหมนั่นเลยว่าดีอ๋อเคยจะไม่ดีได้งไง <c oughs> ใจเนี่ยมาเดินอย่างงี้มีความรูส้สกตัวทั้งวันเลยอ๋อรู้อย่างนี้น่าจะมาทั้งนานแล้วใช่ไหม<อ> <c oughs> มาช้าไปหน่อยตัดตัวเริ่ไป ห, ไปหเที่ยวแล้วเสียเปล่เออ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้อันนี้ส่งมันอย่างนี้แล้วเราก็อย่าทิ้งตั้งแต่วันนี้ไปนะคือตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปจนกระทั่งว่ามันรู้ทั้งเนื้ทั้งตัวเมื่อไหร่รู้ทั้งเนื้ทั้งตัวแล้วทีนี้แหละมันก็จิตของเรามันก็จะไม่ออกไปโดยที่เราไม่รู้ใช่ไหมก่อนนี่เราไม่ได้ใส่ใจเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์ในบ้านเราไม่ได้ใส่ใจมันว่ามันหายไปกี่ตัวมันอยู่กี่ตัวนะมันทาถ้าหายจนจะหมดข้ออยู่แวถึงรู้มันหาย นายโยมชอบมากเลยพอจใจยมมากมากที่ทรกคนทั้งหลายเนี่ยแล้วบุญบุญเพื่งเกิดดวนี่เองอยู่มาตั้งนานทาบุญมานานอาจารย์โมยังไม่ดีอยู่่ะถือว่าที่ไม่ดีเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาพอเชือกมัดเสร็จเปิดแบบรีบๆเพราะจะรีบมาวัดทากับข้าวก็เอาเชือกมัดทิ้งโฟลไปคือมันใส่ทิ้งไปพออาของขึ้นแล้วจะหาเชือกมัดผูกผูกกับ ที่เอาไว้ตรงไหนเนี่ยเขาเลยบอกขาดสตินึกในใจเอ๊ะถ้าเร็วๆสติตามไม่ทันเพราะอันไหนก็ตามที่เราขาดนะมันก็จะไม่ทันขาดช่วงไปเพราะนั้นท่านจึงพยายามจับต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่ออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเยโยงได้ว่าเออมันมาจากไหนไปไหนไงนะเยโยงทำเร็วๆอ๋อเพราะเรายังไม่ยังไม่ได้เข้มแข็งพอจะทำเร็วไม่ได้ต้องฝึกอย่างนักมวยเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันจะไปชกเร็วไม่ได้ ก็จะซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมรู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะได้ลึกได้เร็วขึ้นเดรยวขึ้นเร็วขึ้นเยลึกปั๊บปั๊ัเฉะนั้นคนที่ลึกอะไรได้เร็วปั๊บปโดยมีสายสายหมายความว่าสติมันอยู่ตัวแล้วแต่ถ้าคนที่สติมันอยู่ตัวต้องคอยนึกมาทีหลาอย่างหลาอย่างหลายอย่างแต่คนที่ทําแล้วคอยระลึกจนชํานาญแล้วเนี่ยลึกในตัวเนี่ยนะมันระลึกจนชํานาญทั้งหัวจนเท้านี่ ถ้าหากเรสามารถระลึกได้ถึงหัวใจเท่าตลอดเลาความรู้ความจําของเราจะฟื้นกลับคืนหมดเลยอใช่ไหมอ๋อนั่นแสดงว่ามีอนาคตอยู่อมีอนาคตอยู่ยมยสวัสด์ฟังเอาไว้นะมีหวังนะตามเขาไม่ทันแน่เลยงานนี้ถ้าคืนถ้าคืนเอาเอาหยุดหยุดอย่างนี้นะไะไปไกล เพราะฉะนั้นนี่โยมมาเรื่องได้ขนาดนี้แต่ว่าคนหนุ่มข้างหน้าเนี่ยได้เปรียบเพราะเขาเพิ่งมีอา ย, ยุเท่านี้เขาเพิ่งมาเจอถ้ายมมถ้ามาเจอแต่าอายุเท่านี้จะไปถึงไหนแล้วใช่อหมแต่ว่าเขาบุประการสํคาคัญ ถ, ถ, <ๆ S 1> ถ้าเขามีศรัทธาหรือไม่เท่านั้นถ้าเขามีศรัทธาแบบโยมแล้วเขาก็ไปไกลกว่าโยมหลายเท่าๆๆอเพราะฉะนั้นเด็กเราก็เพิ่มอย่างเดียวคือเพิ่มแต่ศรัทธาอย่างเดียวนะปัญญามีพร้อมแล้วแต่เอามาก็หวังว่าในตัวรู้ กับผู Some, then, it. It shepherd, really? so ้ร <ouais Standing S 1> ู้ก็สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยถ้าเราเห็นตลอดเวลานะเราเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตัวเองใช่ไหมผู้ใดเห็นตัวเราเองผู้นั้นก็เห็นธรรมเรียกว่าได้ดวงตาโยธรรมังประสติที่เราสวดโยธรรมังประสิติโซมังประสติโยมางประสิติโซธรรมมังประสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเขาว่าเห็นเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นตัวเราเองนี่แหละเห็นตัวเราแต่เห็นกี่เปอร์เซ็นต์ มีตรงนั้นด้วยส0เอเซยี่บ้าเปอร์็ห้าสิบเปอร์ซนเจ็ดสิบห้าซ็นร้อยเปซี่เขาเห็นอเปอร์เซ็นต์เขาเห็นเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นทีละท่อนท่อนไม่ใช่ไงะความถี่ในการเห็นช้าไวขนาดไหนดูไปตั้งนานเพิ่งมาเห็นตอนนี้เองอ่ะพอเห็นปั๊บไปอีกตั้งนานเพิ่งเห็นอันนี้เขาเอเปอร์เซ็นต์ต่ำมากนะเขาว่าเห็นที่เห็นไวเห็นบ่อยพอเพิ่มปั๊บรู้ เผอไปห้าเรื่องเจ็ดเรื่องรู้สักเรื่องสอเรื่องก็ยังดีนี่เผอไปสิบยี่สิบเรื่องเพิ่งรู้สักเรื่องอย่างนี้เผอไปเยอะแต่ว่ารู้น้อยแต่ถ้าหากประเภทที่เผอพรรู้ปุ๊บเลยนี่ถือว่าเร็วมา ก, มากใกล้เคียงแล้วเกีอบร้อยเปอร์็นตะว่าแต่ถ้าร้อยเปอร์็มันไม่เผอเลยรู้ตลอดเรีวอัตโนมัติเป็นปรามัมดงั่นเลย ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราก็มีอย่างเดียวก็คือฝึกไปเรื่อยๆสมัยทจะมาฝึกเนี่ยมันไม่สับสนมากเพราะอะไรเพราะหลายลทัทธิสนโมกก็จะเอายูกน้องฟองน้องก็จะเอาตัวเคลื่อนไหวก็จะเอาเคลื่อนไหวก็มีหลายแบบเลยนะเคลื่อนไหวแบบอย่างนี้ก็มีเคลื่อนไหวแบบไอ พอมาทีไรนดไปทีไจังหวะจังหวะก็มีเหลว่าติ้งนี่ไงขึ้หแบบติงนี่ไงก็มีหลายขึ้นไหอีกมันก็สับสนไม่รู้อาเอแอบไปหลับตาบ้างแอบไปทำลมหายใจบ้างแอบมายกมือบ้างแอบมาพูดโทรบ้างแอบมาทำหนอบ้างเพราะว่าอย่างยทพ่เพราะยมว่ามันคล้ายกันตัวรู้เหมือนกันเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะอันนั้นบ้างอันนี้บ้างไม่เป็นไรนะ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 อันนี้เขาเรียกนคนลังเลใช่ไหมใช่เวลา ใ, ใช่โยมเป็นตัวอย่างเาเลยจับที่นั่นขอไม่ได้แล้วว่าจะไปตรงไหน่ดแต่ถ้าเรามองอีกบวกนะมองอีแบบหนึ่งอ๋อนั่นถือว่าเป็นการสร้างบารมีจับอนนั่นใส่อันนี้จับวันนี้ใส่นอนุนไปเรื่อยๆแล้วมันมาถึงมีวันนี้ถ้าไม่จับพัดจัผูจับไปจั บ, จบมามันอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้อันนี้เป็นการสร้างสม<ช>มองไปอย่างนั้นในชะ่ไม่ของโยมมีการนั้น ไม่คีไปเท่าไหร่เพิ่งจะงานหนักนะต่ะอานนสอเยอะก็ขอานยไม่ได้ซื้องลูกสาวก็ซื้อมาให้ไอ้ไดิแวเนตอ่านม่วเนเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติแบบนี้มันไม่ยากมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่ที่มันยากก็คือ มันไม่สนุกแต่ถ้าเราไปฟังนิทานนะไปฟังเรื่องทาบุญให้ทานรักษาศีลจะได้อานิสงส์อย่างน้อยอย่างนี้นะก็ฟังแล้วเพลินนะเพลินสนุกเพราะมันได้มันได้สร้างภาพมันได้สร้างจินตนาการแต่มาทํานี้มันจินตนาการไม่ออกมันไปนอะไรคือเรามาทําตัวปรามัดมันเลยยากแต่ว่ามันจะเข้าใจได้แล้วมันจะเร็ว ถ้าหากเราไปฟังเรื่องชาดกนิทานเรื่องเหตุบ้านการเมืองเรื่องศาสนาประวัติศาสตร์สวิชาการอะไรนะมันเลื่อยเชื่อยเฉยแชบไปออกจากนอกตัวไปเรื่อยใช่ไหมแต่พอมาทำมันมาสู่ตัวตรงๆมันจึงไม่สนุกแต่ถ้าสมมุติว่าเราจับหลักมันได้นะมันจะสนุกมากพมาเพราะมันเล่นกับของจริงใช่ไหมแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายทําบุญทำทานมากี่พ ก, กี่ชาติท่านก็ยังไม่ไปไหน่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 อันนี้คือข้อดีนะเพราะว่ายังยังโยมเองเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ง่วงเหาหานอนเมื่อวานนี้วันแรกอาจจะธรรมดาเพราะยังใหม่แต่วันนี้จริงๆแล้วน่าจะง่วงเพราะว่าเมื่อคืนนี้แค่จะนอนไม่แต่วันนี้กับสดชื่นตลอดแต่โยมค่ะพอยมอ่าดูลองหายใจเข้าออกโยมจะง่วงแล้วยอมจะลับแล้วยอมจะเบื่อพอเดินจงกรมโยมก็จะเบื่อเต็มที่สองชั่วโมงโยล้าแล้วโยมเหนื่อยโยม พอแล้วยังจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่กับวันนี้โยมกับคอนติเนียลได้ตลอดอซึ่งโยมมองว่าเออมันช้าถายสำหรับเรานะทำไมเราถึงได้ม่วงทำไมเราถึงเราถึง ร, รู้ตัวได้ตลอดเพราะฉรื่องสิ่งที่มันเอื้ออํานวยให้เราเอื้อได้นี่นะอนอกจากวิธีการแล้วเนี่ยเราก็ยังจัดในเรื่องโปรแกรมที่ได้ทํานี้นะให้มันพยายามที่ให้เอื้อตลอดแม้แต่เรื่องอาหารการกินนะไม่ให้มันหนักเกินไปอย่าหันวันนี้ก็พอดีนะ ถ้ามากกว่านี้ก็ง่วงแนวกันเลเพราะฉะ้ยยอันนี้คือพยายามจัดองค์ประกอบให้มันสอดคล้องกันแล้ว ก, การการทําเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไปแช่อยู่ในบทเดียวจนมานานเกินไป <c oughs> จนร่างกายล้าเราก็พยายามกระตุ้นกันให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ <c oughs> ซึ่งมันต่างจากวิธีการที่เป็นสมถะที่พยายามที่จะอดทนชนแช่อ ย, อยู่กับอาการเดิมๆนั้นเพื่อจะพิสูจน์ว่าฉันแน่จริงเนี่ยฉันชูกแกได้นะอะไรเนี้ยซึ่งมันเป็นการ ฝื น, ฝ, นฝืนธรรมชาติกฎของอนิจจังอนจิจจังเขาต้องเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนเขาอะ่ะก็ถือว่าเป็นการบําเพ็ญ บ, <อ>บารมีคฟังครูบาอาจารย์ที่อ่ า, อานตำราเขาบอกว่าขันติใช่ไหมคะอ่าเราก็จะอเราฝึกขันติเป็ความอดทนอดกลั้นของอะไรอย่างเงี้ยแต่ความขันติที่เป็นวิปัสนาคืออดทนต่ออารมณ์อยากสมมติเราอยากจะกินข้าวเย็นเนี่ย อดไม่กินละอีสามหนุ่มอดได้ตรงนี้ถือสิ้นแผลได้นะในขณะเขาาปลาเอาซุกมารออย่างดีแล้วไม่เผลอเลยนะนี่เขาเรียกว่ามีขันติแล้วถ้าขันติอย่างเนี้เป็นขันติวิปัสนาคืออดทนต่ออารมณ์ที่อยากที่ใครที่ต้องการเราไม่ทําตามนี่เป็นขันติที่แท้จริงขันติตัวนี้มีชื่อใหม่เลยว่อะธิวาสนขันติคือขันติตีทนต่ออารมณ์แต่ว่าขันติที่ทนต่อ ร่างกายตากแดดตากร้อนตากหนาวร้อนเทนั้นอันนั้นเขเรียกขันติของสมถะไม่ใช่ขันติของวิปัสนาะแต่ว่ามันก็จําเป็นถ้าชาวบ้านถ้าไม่มีขันติระดับนั้นอยู่เขาก็ทํางานไม่สําเร็จใช่ไหมการอ่านการเรียนการเขียนการสอบอะไรนะั่นต้องใช้เวลาอ่านหนังสือต้องอดทนทนอยู่อันนั้นก็เรียกว่าขันติที่ใช้ในแง่ของทางโลกิยะหรือขันติที่เป็นสมถะก็ประสงค์สําเร็จได้ แล้วทุกคนนี่ถ้าไม่มีคันติระดับนั้นจะเรียนรู้หาการทากงกานทําได้ขนาดนี้นใช่ไหม mm hmm. เราต้องอดทนต่อการเรียนการอ่านจนท่องการจําแต่เราไม่อดทนเดิมมีใครสักคนถึงมาว่าเราทําให้เราเจ็บใจเมื่อเราไม่ทนเราเราก็สติตเตือนเมืองกัน mm hmm. แต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสนาแม้แต่คนมาด่ามาว่าให้เราเจ็บชาน้ําใจแล้วก็ทนได้สบายนี่เขเรียกคันติแบบวิปัสนาคันติแบบนี้พระพุทธเจ้าสนุนให้ทํา ขันติแบบนี้ท่านใช้คำว่าอาตาปีถ้าไม่ใช้คําว่าขันติอาตาปีเคยยินใช่ไหมอาตาปีอ า, า, าอคือเราจะไม่เพ่งเผาร่างกายแต่เราไปเพ่งเผากิเลสเผากิเลสอะ่านี่ขันติที่เผากิเลส เ, เป็นขันติของมิปรสนา แต่ขันติที่ไปเผาความร่างกายให้มันทนสู้กับงานเนี่ยเป็นขันติของสมถะตรงนี้ก็เรียกขันตินะแต่ขันติที่เอามาใช้เป็นอัตาปีเนี่ยท่านใช้คําว่าวิริยะนะวิริยะพราะนั้นเวลาเราจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินอะไรเนี่ยเป็นการขันติทางกายเนี่ยไม่ต้องใช้มากก็ได้แต่ขันติทาง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 ถ้าใครใช้ขันติตัวนี้ไปบ่อยคนนั้นก็เริ่มเป็นอริยะละมันหิวแต่ไม่กินไม่จําเป็นแต่ถ้ามันอยากเอ้ยถ้ามันหิวกินแต่มันอยากไม่กินบัมบัดความหิวกับบัมบัดความอยากเนี่ยอันไหนง่ายอันไหนยากกว่ากันบัมบัดความหิวกับหิวง่ายกว่าฮะบัมบัดความหิวกับบัมบัดความอยากฟังให้ดีบัมบัดความหิวกับบัมบัดความอยากอันไหนยากอันไหนง่ายในแทนใอ้ไทยความหิวยากกว่าความอยากยากกว่านั่นนั่น เรื่องก็บอกความหิวยากกว่ามาก็ถามว่าบําบัดอันไหนง่ายกว่าบําบัดอันไหนยากกว่าระวังหิวก็อยากบําบัดความหิวง่ายกว่าใช่ไหมแค่รู้สึกหิวแค่ไปลุกไปดื่มน้ำก็ดีขึ้นได้ใช่ไหอแต่ถ้ารู้สึกอยากแหมวันนี้อยากกิต้องมันต้องได้มันต้องได้มันต้องลุกไปมันเผลอไม่ได้ไปเลยมัไม่รู้ตัวเลยใช่ไหม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 นันเขาปฏิบัติตำบะทำแต่ว่าผลเสียคือร่างกายเบี่ยงเบียนร่างกายเมื่อร่างกายถูกเบียงเบียนร่างกายลําบากจิใจเป็นไงพี่ปกติและสายลนใช่ไหมเพราะนั้นที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกให้เกิดความอดทนต่อกิเลสแต่ความเจ็บปวดเนี่ยเราก็อดทนพอสมควรเท่าที่ทนได้แต่เรามีวิธีที่ไม่ต้องทนก็คือการเคลื่อนไหว การที่เราขยับนี้วขยับหน่อยก็ไม่ได้เสียกิริยาอะไรใช่ไหมแค่นี้ก็บำบัดได้แล้วก็คลายแล้วแต่ถ้ามันอยากจะหนีไม่อยากจะไปเนี่ยมันตะกินกินไม่อยากจะไปให้ได้นะใจมันวุ่นวุ่นเลยใช่ไหมไมันอยากจะกินมันอยากจะเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินไม่ได้เล่นมันวุ่นวุ่นหมดแต่เราเอาชนะความรู้สึกอยากอย่างนี้ได้นี่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแต่คนคน่อนข้างจะมองข้ามไปใช่ไหม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 วิเคราะห์ิจัยาจากการได้ลงมือทําจึงเกิดตัวรู้นี้ขึ้นมาถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไปดูลงหายใจแล้วเกิดสตินี่เราเราหายใจหายใจตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่แก่จนตายก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมฐานหายใจทิ้งตลอดชีวิตมีอยู่ใช่ไหมบางคนไม่เคยได้ฟังเลยนะหายใจทิ้งตลอดชีวิตแต่ว่าหนึ่งพอเราดนะีเออคุณตามรู้มันทีลงหายใจตามรู้มันทําให้จิตสงบได้ไงนะ เราคือปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยใช่มสูตรแต้มปัญญาปัญญาเราก็ลองทําูอ้ยจริงใช่ขนาดที่ฉันตามรู้ตรงหายใจนี่ฉันรู้ตรงในี้ใจฉันอยู่ตรงนี้เริ่มเห็นความจริงแล้วก็พิสูจน์ทดสอบโอใช่แล้วก็พิสูจน์การทดสอบแล้ใช่ยังไม่ลงมือทำเรียกว่าสูตรแต้มปัญญาจินตามยปัญญ า, ออ า, ญญาพอลงมือพิสูจน์เราเห็นจริงสัมผัสได้จริงเป็นภาวนามยปัญญาเพราะนั้นตัวรู้ที่ผู้รู้ก็คือตัวปัญญานั่นเอง เกิดด้วยสามทางแต่ตัวทู้ถูกรู้มีอยู่แล้ว <Okay. S 1> คือ <Yeah. S 1> อาการของเวทนาทั้งกายทั้งจิตเป็นตัวถูกรู้ใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ตัวผู้รู้ต้องมาสร้างเอาแต่เริ่มสร้างคือหนึ่งจะต้องเจอกริยาณมิตรผู้ที่ให้ปัญญาสามระดับกับเราเพราะฉะนั้นในวิชาสิบึงเริ่มต้นที่กริยาณมิต <Yeah. S 1> รกัลยาณมิตรแปลว่าคนที่ให้ปัญญากับเราให้แสงสว่างกับเรา เมื่อเจอกเริยนใมิตรแล้วเกิดการได้ยินได้ฟังเกิดว่าสุตะเกิดจินตาเกิดภาวนาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเกิดอะไรอยากจะทำเกิดศรัทธาใช่ไหมอยากจะทดสอบเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาลองทำแล้วเกิดอะไรเกิดสติสัมมาชัญาสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่เคยรู้สึกตัวก็รู้เมื่อก่อน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 สนใจที่จะรู้สนใจที่จะตามไปเรื่อยๆอาการอีรุ่มของเจงของมือมไม้เมื่อก่อนไม่เคยตามรู้เดี๋ยวนี้แล้วเริ่มทำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยจับค่อยฉวยค่อยอีกค่อยเอื้อมมีโยนิสโสมนาสิการพิจารณาได้ใช่ไหมนี่และโยนิสโสมนาสิกานี้ก็จะนําไปสู่ตัวสุจริตทำถูกพูดถูกคิดถูกขึ้น เมื่อก่อนมันมีแต่พลาดแต่พลาดไปหมดมั่วไปหมดไม่ถูกแต่พอมันมีการค่อยๆคุนพิจารณาค่อยทําค่อยไปมันเกิดทาถูกพูดถูกเรียกว่าสุจริตสามพูดถูกทําถูกคิดถูกคําพูดที่เคยพูดมั่วๆไปเรื่อยเื่เริ่มถูกต้องความคิดที่คิดสเปรย์สปะเริ่มคิดได้ถูกต้องการกระทําี่ไม่เคยมีจังหวะจากวนเริ่มมีจังหวะจากวนถูกต้องมากขึ้นเรียกว่าสุจริตสามมีอยู่ใช่ไหม ใช่มันรู้จักเลือกขึ้นใช่ไหมรู้จักเลือกคือใครควรเลือกโยนที่สง<ช>ูสงที่สุดเพราะมีสุจริตสามนี้เองจึงเกิดสติปัฏฐานสี่ขึ้นมามีการพิจารณากายเป็นเมื่อก่อนดูแต่ลมหายใจแต่เดี๋ยวนี้ดูส่วนอื่นด้วยตรงนี้มันเจ็บตัวนี้มันปวดตัวนี้มันเย็นตัวนี้มันร้อนดูไปทั่วๆเมื่อก่อนมันก็จํากัดอยู่แค่ตัวอะไรตัวหนึ่งใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็ดูการเคลื่อนไหวของมือ แต่ส่วนอื่นไม่สนแต่พอตัวสติประฐานเข้ามาปับ๊บออไม่ใช่ดูกายอย่างเดียวเนี่ยดูความรู้สึกข้างในขณะนี้นั่งเย็นแล้วหนักแข็งเครงตึงก็รู้ด้วยนี่ตามรู้ดันนั้นไหมเออในขณะนี้นอกจากเย็นแล้วหนักแข็งเครื่องตึงมันยังรู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ก็รู้ด้วยใช่ไ ห, หอขณะนี้อารมณ์ฉันดีไม่ดีฉันก็รู้อยู่เหมือนกันเป็นธรรมารุมกายเวทนาจิตแตมมาครบเลยใช่ไหมนี่เห็นไหมตัว อยนี่ไอตัวสุจินีสาก็นําไปสู่การเจริญสติปัฏฐาน4ี่ถูกเขาสติปัฏฐาน4ทําได้ถูกต้องปั๊บมันก็จะเกิดสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการรู้เนืรู้ตัวได้กว้างขึ้นแต่ถ้าสติปัฏฐานมันจะรู้ไป็นส่วนๆแต่ถ้าเป็นสติสัมโพชฌงค์มันจะรู้ทั้งหมดเป็นบูรณาการบูรณาการเอากายเวทนาจิตธรรมถ้าเป็นสติปัฏฐานก็ดู ก, กายก็เป็นกายดู ก, กายไปเรื่อยๆดูเวทนาดูจิตดูธรรม แต่พอเป็นสัมโพชงปั๊บมันก็จะรู้ได้ทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมเป็นขบวนการเดียวกันเลยไหนพอรู้สติสัมโพชงโพชงตัวอื่นเกิดไหมธรรมะิจิยะเกิดการไข่ควรทําการพิจารณาธรรมเกิดวิทยะความขยันทําเกิดปีติเกิดความเบากายเบาใจปสัสติเกิดความเย็นอกเย็นใจสมาธิเกิดความมั่นอกมั่นใจอุเบกขาเกิดความนิ่งคือความสงบเกิดความเป็นกลางของขอารมณ์ ตรงนี้จึงเกิดคําว่าวิชาตัวรู้่มาจากขาบวนการเริ่มตัวใกะะดกันเองมรแ้วหเอาหนึ่งอะไรพบกันเอมิตรได้ยินได้ฟังใช่ไหมสองเมื่อพบกะะันเอมิตรได้ฟังแล้วเกิดอะไรเกิดปัญญาสามก็อยากจะทําเกิดศรัทธาสทําำไปแล้วเกิด รู้เรู้ตัวขึ้นมาเป็นสติสัมปชัญะ5เมื่อสี่สัมปชัญะแล้วเกิดทําอะไรสักแลว้วระวังขึ้นใครควรพิจารณาขึ้นเป็นโยนิสูรมรจิการ6เมื่อโยนิสูรมรจิการเป็นรู้จักเลือกทําพูดคิดเป็นเกิดสุจิตีสเมื่อสุจิตีสมเกิดแล้วมันก็พร้อมที่จะทําสติปัฏฐานเป็นใช่ไหมแปเมื่อจเจริญสติปัฏฐานเป็น ก็เกิดพษชง9ตัวรู้ก็เกิดคือวิชาสิบเมื่อมีวิชาแล้วมันก็จะหลุดเป็นเรื่องไปเรื่องเปเรื่องไปเรื่องวิมุตต์วิชาและวิมุตต์<ม>นี่เขาเรียกองข้องกันเข้าถึงตัวรู้1ิบประการเริ่มต้นแต่กะยะายานมิตใช่ไหมนั่นเราจึงมองข้ามเรื่องนี้มาได้ตัวรู้น้อ ย, อ ย, ยแต่ว่ามันพัฒนาเป็นขบวนการมาถึงสขั้นตอน แต่ว่าเวลาเราไปปฏิบัติไม่จำเป็นต้องลำลึกถึงไอ้ขั้นตอนเหล่านี้นะให้รู้ในรู้ตัวก็พอละแต่ให้รู้ว่าเออไอ้ตัวรู้ในรู้ตัวมันเกิดด้วยกระบวนการอันนี้นะไม่ใช่จู่จูมันจะเกิดนะเราก็จะต้องมาขยันทําให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆท่า น, นเองนะอันนี้คือตัวรู้แล้วก็สิ่งที่ถูกรู้ที่จะมานํามาเป็นประเด็นที่จะพูดตอนนี้นะเข้าใจเลยนะเข้าใจแล้ ว, ลวอที่ต่อมาอีกสักประเด็นนึ่ง เมื่อเรามีผู้รู้คือรู้ตัวที่เราทําเป็นผู้สร้างนี่นะแล้วมีสิ่งที่ถูกรู้ตัวนี้สัมผัสได้เลยอย่างว่าในร่างกายของเรามีเย็นแล้วอ่อนแ ข, ง ข, ง ข, งขง็งเครื่งตึงตรงไห น, นเห็นได้ยัง<อ>เห็นสบายไม่สบา ย, บายเห็นใช่ไหมอึท้องอึดไส้เป็นไงเห็นอันนี้เริ่มเริ่มไม่วิตกเล้ใช่ไหมเออเัาก็อยู่ได้ไม่ไปนสนใจไม่ใส่ใจมันอันนี้คือรูปไม่ใช่ในแทนไม่ใช่ในไทยนะเอีมันก็จะเกิดการปล่อยวางเล็ดอิดโก แต่หลวงพ่อไม่เคยเป็นลกูกท้องเพราะอะไรเพราะตื่นขึ้นมาดูน้ําทีเดียวสองสามวดวันไหนที่มันไม่ถ่ายไหมเพราะว่าเป็นเรื่อง<ร>แหละเป็นวันนี้แหละป้าจินเนาะแล้วสแสดงว่าเขาเป็นเวทนาให้ดูเพื่อให้รู้ ร, รู้ตั ว, วนี่เลยเป็นของการกินอ่าอ๋อนั่นเองกินเร็วกินเร็วไปไม่ใช่กินเร็วก็ในตอนกินนี่ขาดองคของการอะไรประจวิวาากคขาดการพิจารณา อาจจะย่อยไม่ดีหรืออาหารที่ทานอาจจะไม่ถูกกระแทกหรืออาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยท่านมันมันแอนตี้กันเองอย่างสมมติข้วยหอมเนี่ยท่านไม่ให้ทานกับสิ่งที่เป็นมันมากเกินไปมันจะทําให้ท้องอืดอย่างนี้เป็นต้นนะคืออาหารบางอย่างเนี่ยมันไปบวกกันแล้วมันเกิดมันเกิดเหตุมันเกิดเป็นพิษอ่ะมันมีตั้งเจ็ดแปดอย่างเขามีลทธิ์อะไรอยู่ใช่ไหมอะไรไม่ควรกินกับอะไรเนี่ยเขาบอกไว้อยู่เราก็ต้องระวัง บางทีคนอื่นเขาไม่เป็นพ่อธาตุคนอื่นเขาไม่เป็นพิษก็ครั้งที่กินเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็อยู่กับธาตุทังเราอันนี้นอกเรื่องนะทั้งนั้นนะคะอ่าก็สมมติสมมติแล้วจะัจฉริยะจะภาวนา ย, ยัางไงให้เข้าใจว่าเพียงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นคนมันเป็นรูป <c oughs> เป็นรูปใช่แต่ถ้าเรามองอะไรเป็นรูปเนี่ยพ่ออะไรถึงให้มองอย่างนี้พาะว่ามันจะไม่เกิดความดีดีดินร้ายอ่าใช่ถ้าเรามองเป็นรูปก็รูปเฉยเอ่ะแต่ถ้าไปมองว่าคนนี้สวยไม่สวยคนนี้หล่อไม่หล่อเนี่ยมันจะมีความดีดีดินร้ายเกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้ดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีความดีดีดินร้ายเกิดขึ้นก็ดูเป็นรูปแล้วมันไม่เกิดทั้งสองอย่างนี้แต่รูปเฉยเฉยนะรูปศกแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่สิ่งดีไม่ดี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 แต่ว่าอาการมันบอกว่าเออเราพอใจเราไม่พอใจเออสร้างสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้ไปเรื่อยๆอ่าตัวรู้เพราตัวรู้จิตมันก็จะไม่ส่งออกไงถ้ามีตัวรู้จิตมันจะมันอยู่กับปัจจุบันถ้าตัวรู้น้อยจิตมันส่งไปออกเราไม่ทันมันใช่ไหมแต่ถ้าตัวรู้เยอะมันดูดกลับเข้ามาจิตก็จะมาอยู่กับตัวปัจจุบัน อันนั้นมันน้กคิดแล้วอ่ะไม่มันผิดตั้งแต่แรกเลยผิดตนได้คิดแล้วคิดพอคิดออกไปก็ผิดไปเรื่อยๆเลยเพราะต้นมันผิดแล้วมบอกไม่เลันบอกลูก่เอ๊ะวินัมาจากไหนวินยก็ตั้งขึ้นมาไหนั่นแหมคิดไปเรื่อยไปล่ไม่ใช่เลยเป็นลูกสมมติอ่าไม่ใช่ตัวเอง อันนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติถ้า ป, ปฏิบัติรู้ว่าคิดสลัดทิ้งไปเลยไม่เรื่องต่อ <c oughs> แต่นี่สลัดไม่เป็นเพราะยังไม่ได้ปฏิบัตินี่ <c oughs> ถ้ารู้ปฏิบัติรู้ตัวออกกู ค, คิดไปแล้วนี่สลัดทิ้งเลยตั้งต้นรู้ไวอ่า <c oughs> สามคนที่สนทนาเรื่องอะไรให้หลวงพ่อได้ยินด้วยไปเาบอกฟังไปเรื่อยๆไม่แตะออกไปข้างนอกมันก็ุบไปแล้วก็ไปอินข้างนอก เพราะเรายังมีเพราะเรายังมีข้างนอกข้างในอยู่ะถ้าเรามองข้างในอย่างเดียวนะข้างนอกเป็นเพียงสิ่งเป็นรูปทั้งหมดถ้าเรามองข้างในอย่างเดียวเราก็เห็นอาการของจิตที่เ like ป็นนามจิตมันก no ็ไม่ใส่ใส right ่แต่ทีตใส่ใส่ไปเพราะมันมีรูปเป็นที่ตั้งอรูปเป็นที่ตั้งของอะไรอ้าวเรื่องนี้แล้วรูปทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่ตั้งของอะไร เนี่ดูไปแล้วทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปเสมอใช่ไหมรูปจึงเป็นที่ตั้งของอ่าลืละของไตรอะไรของไตรลักเอออยมันไม่จริงมันคือคือนิีจังทุกอย่างน่นอ่าใช่เนี่ยนั่นแหละมันก็เียหลงมันได้ลงไง อนึกถึงใจรักไว้เสมอบอกว่ิ้งที่เราเห็นก็เป็นอนนีจางทุกขังหน้าตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไอ้รูปนี้มันสวยไม่สวยก็คือนิจังทุกขังหน้าตานึกไว้ก่อนแล้วในที่สุดแล้วมันก็เฉาะแต่ว่าเราไป น, นึกถึงอนนี้จางเหลือแต่ไม่รู้สาระของมันก็อนนีจางทุกขังแต่ที่เรานึกก็ไม่มีประโยชน์นะมันเป็นเพียงความคิดแต่เราเห็นสตัว่าเห็นนี่แหละเป็นอันนี้จางอ่าพอเห็นสตัวว่าเห็นนี่มันเป็นตัวใจสีขาแล้วเป็นสีสมีปัญญาแล้ แต่เห็นแล้วสวยไม่สวยเป็นใจรักณเป็นที่จางทุกครั้งหน้าตาแล้วชอบไม่ชอบมันเป็นไปแล้วมันเป็นโดยอันนั้นแต่เห็นสักเท่าไหรเห็นสวยชัดชัดคือไม่ได้ไม่ได้แยกว่ารูปนั้นสวยไม่สวยแต่มันรับรู้ว่าเอออันนี้คือรูปไม่ใช่รูปภาพนะคือสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเป็นเพียงรูปมันก็จะเป็นทั้งผู้อย่างที่เราเห็นมันก็เป็นอันเดียวไม่ได้แยกจิตเราก็จะไม่แยกใช่ไหม จิตนันก็ยังเป็นหนึ่งอยู่เพราะจิตยันไม่ได้แยกไปตามที่เห็นเพราะมันได้เห็นการเห็นอันนี้ยากนะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะนำเรื่องประเด็นนี้ไปพิจนะารณาครคนทีนี้แต่อย่าเอาไปคิดนะคำว่ า, าพิจารณากับคิดต่างกันไหมความคิดกับพิจารณาต่างกันยังไงวันพิจารณาอการให้ตัว มันก็ไม่ต่างกันดิไม่ใช่พิจารณาแต่ว่าเราตรงประเด็นาพิจารณาเพอให้เห็นความเป็นจริงความจริงของอะไรต้องชัดเบืองจริงมั่วๆไม่ได้ความจริงของความจริงของเรื่องนั้นออ่นั่นดิคุณหาอะไร สมมุติรูปธรรมขึ้นมาชัดๆเลย <c oughs> อย่าลืมประเด็นอะไรเราเราเอ่ยอะไรขึ้นมาก็ตามต้องต่อประเด็นให้มันถูกเมื่อกี้คุณถามใช่ไหมว่าหลวงพ่อถามว่าระหว่างพิจารณากับความคิดเนี่ยต่างกันอย่างไรใช่ไหม <c oughs> พิจารณาทีนี้ก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นคําว่าพิจารณากับคําว่าวิจัยเนี่ย พจารกับวิจัยกับวิจาร์เนี่ยอันเดียวกันหรือคนละอันคนละอันพีจาร์กับวิจัยวิจัยกับวิจาร์วิจัยกับวิจาร์คนละอวิจัยเหมือนการทดลองวิจาร์าคือเหมือนการูดกาออกการนิทาฮ่าฮาฮ่าาาาาาาา่าาาา่าา เพราะฉะนั้นคำว่าวิจาร์คือความคิดแต่คำว่าวิจัยเนี่ยคือการรู้สัมผัสกับความจริงในขณะเนี้ยหลวงพ่อนั่งรู้สึกหนักแล้วเข้าไปดูอาการหนักนั่นนะอาการหนักนี้เป็นอะไรเป็นลูกหรือเป็นนา้าเข้าไปดูอันนี้คือการวิจัยสิ่งที่เรียกว่าวิจัยมีความจริงที่เป็นปรมัตลองรับอยู่ขณะนั้นแต่สิ่งที่ว่าวิจารเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีความ จริงรองรับมันสมมุติฐานขึ้นมาเรียกว่าวิจารณหรือคิดหวิเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่คําว่าวิจัยเนี่ยมันมีความจริงเป็นพื้นฐานรองรับ ใ, ในขณะนี้หลวงพ่อจะพูดถึงความรู้สึกไม่สบายเนี่ยก็มีความไม่สบายของร่างกายอยู่จริงแล้วก็พูดถึงมันอันนี้เรียกว่าวิจัยแต่ถ้าเรามีความไม่ ปกติของร่างกายอยู่ขณะนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาหรือไม่คิดถึงมันไม่พูดถึงมันไม่ได้เอาหยิบประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวถึงแต่เราไปพูดกับเรื่องอื่นอันนี้เรียก ว, วิจารณ์แต่ทุกขณะนี้เกิดขึ้นขณะนี้เรากลับไม่สนใจที่จะรู้นี่เขาเรียก ว, ว่าวิจารณคือไม่สนใจความจริงที่มีอยู่แต่ไปสนใจความจริงที่ไปอยู่ข้างนอกเรียก ว, ว่า ว, วิจารณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แต่ถ้าสนใจในสิ่งที่กําลังเกิดคนนี้เรียกว่าวิจารณ์วิจัยจึงนี่เป็นเหตุชุกดับเพราะวิจัยไปแล้วเออเวลามันหนักก็ขยับมันก็หายหนักอย่างเงี้ยความหนักมันหายไปใช่ไหมทุกก็ดับแต่ถ้านั่งแช่ให้หนักก็อูเงี้ยแต่ไปคิดเพเลิเรื่องอื่นแต่ร่งเดียเองตัวหนักก็ไม่รู้ตรงนี้ทุกก็เกิดไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้วิจาร์จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นการสอนธรรมะส่วนใหญ่สอนในลักษณะเชิงวิจารณ์ไม่ได้เชิงวิจัย แต่้าสอนวิปัสนาคือสอนในเชิงใช้ธรรมวิจัยเพราะฉะนั้นในโพธิชงจิตจึงไม่มีคําว่าวิวิจารณ์มีคำว่าวิจัยใช่ไหมธรรมวิจัยธรรมวิจัยยะองค์ที่สองออันนี้คือคําตอบเพราะฉะนั้นใครมาถามทีว่าวิจัยกับวิจาร์ต่างยังไงตอบถูกเรียกแต่อธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูก มไม่รู้จะพูดกับรู้ตามพจนดดานุกรมแต่ไม่รู้จะพูดกับแต่ว่าถ้าเรารู้ความหมายอย่างนี้เราก็เริ่มจะใช้วิจัยมากกว่าวิจารณ์ใช่ไหมหมายความันจะพูดอะไรให้สัมพันกับความจริงขณะปัจจุบันไว้เสมอแต่ถ้าหากมันออกนอกปัจจุบันแล้วก็เราก็ไม่อยากเสียเวลาด้วยเพราะมันปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่ตรองย้ําจุดนี้เบ่อยๆแล้วก็เผลออยู่ดีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเพื่อนที่ไม่ปฏิบัติได้เยอะกว่า พอเขาชวนไปเที่ยวหน่อยก็ปิ้วไปทำเขาเลยไปกับเขาเฉยนี่เพราะอะไรเพราะเราไปกับความวิจารณ์เราก็นึกว่าน่าจะน่าสนุกน่าจะสวยดีอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะเนี่ยนะพอคิดเอาเนะ่ควจริงเพื feminine, ่อนจะเสียไมเสียเลยเราคิดว่าน่าจะเสียนะเพราะ้เหตุการณ์ประจวบันนี้เราไม่ทันมันหรอก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 คุณก็ตาลุกเลยใช่ไหมอ่าแต่ไอ้ตนเองถูกไม่ถูกตรนี้กับไม่สนใจนะอันนี้คือเหตุสิ่งแวดล้อมมันพาเป็นแต่นั้นเองเราจึงเสียดายว่าคนที่เกิดมาในพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจพุทธศาสนาเหมือนเขาพุทธเจ้านี่ให้เพชรมาเม็ดมาเลาเลยนะแต่เราไม่สนใจที่จะามาใช้แต่เราเก็กลับแบกหินมาใช้แต่ไม่เอาเพชรมาเจราาิญไง การมาวิปัสสนาก็คือการเอาเพชรมาเชิญนายใช้นั่นเองเพราะอะไรจึงเป็นครับเพราะว่าเราขาดกัลยะาณมิตรคือมิตรที่จะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเนี่ยเรามีน้อยใช่ไหมเรามีน้อ ย, เ, อยอเพราะเราขาดกัลยะาณมิตรที่จะมาชี้เรื่องนี้ให้เราฟังเพราะนั้นหลวงพ่อจึงอยู่กับพี่ไม่ได้ต้องไปทั่วโลกเพื่อจะไปชี้เรื่องนี้เท่านั้น เพหลายคนที่เขามีคุณสมบัติดีมีบุญบา ร, รมีถึงแต่ว่าเขาไม่มีกระเลนมิตรคพรนั้นสมบัติที่เขามีอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์ที่จะให้เขาพ้นทุกข์ได้เขาก็ยังไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ใช่ไหมพอเขาได้ยินเรื่องนี้ฟังป๊อปโค้ดตึงโดโอคุณสมบัติที่เขามีทั้งหมดมันมาซัพพอร์ตในการเข้าใจของเขาเพราะฉะนั้นวัดวาอารามที่เราสร้างเป็นหมื่นเป็นแสนนี่เสียดายมันไม่ก่อประโยชน์ที่ใจสร้างกระเลนมิตรเท่าที่ควร เต็มได้วยเรื่องลัทธิประเพณีก็ความหลงงมงายมากมายแต่ก็ไม่มีใครทักท้วงเพราะมันไม่มีการะยะมิตรกล้าทักท้วงบวงทีก็รู้อยู่แต่ไม่กล้าทักท้กทวงเพราะอะไรเพราะไม่มีความอาหารเพียงพอเดี๋ยวเขาจะเล่นงานเรานะ <laughs> แต่พอเราไปเห็นความจริงแล้วเนี่ยค น, คนปฏิบัติมันน้อยค่ะอาจารย์คนหมู่มากกันไหมไงเพาคนหมู่มากคนหมู่มากนะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่ คนชี้ยังชี้ไม่ถูกเริมเพิ่งมีใครอยากดูแต่ถ้าไปเจอคนชี้ถูกเข้าเนี่ยมันก็อยากดูใช่ไหมแ ล, แล้วอย่งกรณีที่บอชี้ถูกแล้วแล้วยังไม่ดูล่ะพราะมันีไม่ถึงหรือไรไม่ไม่ใช่ถ้าชี้ถูกคนต้องดูแต่ชี้แล้วถูกคนไม่ดูใแส้งว่าชี้ไม่ถูกอ่าอย่างเยอะตัวอย่างอย่างวันเนี้อ่าฮ ะ, ะแต่แทํำไมเขาไม่ดู อ๋อเรียกวารมีไม่ถึงเรียกว า, ารมีไม่จะลืมข้อที่หนึ่งเพราะยังไม่เคยศรัทธาอ่ามันมันตอบได้ทั้งหมดเลยตรงนั้นนะเพราะไม่มีศรัทธาโดยบุญถึงบุญบารมีมากขนาดไหนคุณก็ยังใช้ไม่ได้เพราะไม่มีศรัทธาเพราะศรัทธาน่ะเป็นตัวเปิดเปิดฟ้าปวดเปิดฟ้าลงตอนนั้นจะทำไงให้เากิดศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธาคือคนที่อับพับถึงแม้ว่าเขาจะรวยมหาศาล ถ้า ต, ตามแต่ยังเป็นคนเอาภาพอยู่แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนมีศรัทธาถึงเขาจะจนกันไหนก็ถือว่าเป็นคนมีวิสนาเพราะเขาจะหาสิ่งที่ดีได้แต่คนไม่มีศรัทธานี่เขาหาสิ่งที่ดีไม่ได้แล้วก็วต้องเอาแค่นั้นแหละวันนี้เขาก็ถือแค่ก้อนกุ้งก็ถือว่าดีเขาเป็นการเริ่มต้นนะเนี่ยุ้มโทรบอกเจ็บโทรให้พระอาจารย์มาโยมไม่รู้ไม่รู้ไม่ท่นชื่อมาโยมจะมาที่เขาเริยมวิวิสนาแล้วใช่ มีวาสนาวาสนาสร้างมาแล้วเอาละถึงมาประเด็นที่ว่าในเรื่องของตัวรู้กับตัวถูกรู้เกิดจากที่ไหนในวันตัวรู้กับตัวถูกรู้เกิดจากที่ไหนตัวรู้เหรอครับเกิดจากที่ไหนครับการที่เรารู้สึกรู้สึกตัวนานเห็นไหม ม่ใส่ใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูด <Okay. S 1> เลยหลงประเด็นเลยนะตัวรู้กืสิ่งที่ถูกเรากำลังเจาะประเด็นตรงนี้นะ <Okay. S 1> วันณประเด็นก็พอจะให้ชัดๆสิ่งที่ถูกรู้เกิดจากอะไรสิ่งที่ถูกรู้คือสิ่งที่เรากระทบสัมผัสได้ใช่ไหมรู้สัมผัสอะไรบ้างรูปเสียงกลิ่น สัมผัสคือสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมและตัวผู้รู้เกิดจากอะไร<ม>เกิดจากทางตาหูจมูกมกลิ้นกาย ใ, ใจมีสิ่งที่ผู้รู้ใช่ไหมตัวถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทีนถ้าหากไม่มีตัวรู้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทําหน้าที่เป็นผู้รู้ได้ถูกต้องไหม พราะฉะนั้นเึงสร้างตัวรู้ขึ้นมารู้ทางตาถ้าผู้รู้มีสองผู้รู้คือผู้รู้ถูกกับผู้รู้ผิดรู้แบบไหนถูกรู้แบบไหนผิดทบทวนที่เราว่ามาเมื่อกี้เช่นรู้ว่าดอกไม้สวยหรือไม่สวยเนี่ยรู้ถูกหรือรู้ผิดถ้าโดยปรมาติเราวรู้ผิดแต่ถ้าโดยสมมุติก็รู้ถูกต้องแยกด้วย โดยสมมุติก็คือเขาสมมุติว่าดอกไม้อ่ะสมมุติว่าสวยหรือไม่สวยก็ถูกแล้วนี่นะแต่พอได้ขั้นปรามัดพอปรามัดมันต้องดูทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวเ พ, เพียงแต่รูปเท่านั้นรูปของสีแสงทิตารูปของเสียงรูปของกลิน่นรูปของรสรูปของสัมผัสรูปของอารมณ์เป็นรูปหมดรูปของรสเป็นไง เพียวันมาเขียรูปของเสียงไปไงดังหรือไม่ดังเพราะหรือไม่เพราะรูปของสัมผัสไปไงอ่อนนุ่มรูปของกลิ่นไปไงหอมเหม็นรูปของอารมณ์ไปนไงพอใจไม่พอใจนี่เป็นรูปทั้งหมดใช่ไหมให้เห็นเป็นอันเดียวคือรูปแต่มันจะรูปแบบไหนรูปทางสัมผัสทางตาก็อีกแบบหนึ่งรูปสัมผัสทางหูก็อีกแบบหนึ่ง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 เพราะฉะนั้นเราจึงรวมให้มันเกิดโฟกัสคือรู้สิ่งเดียวคือรูปอย่างแต่รูปพอแต่ว่าสวยไม่สวยชอบไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเลนมันเริ่มเลนมันเข้ามุดออกไม่ซูมเลยใช่ไหมไม่ซูมอินแล้ไม่ซูมเอาไปล้แสงก็กระจายถ้าซูมอินแสงก็จะเจาะอ่า <c oughs> มันก็จะชัดเจนขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นรู้ถึงรู้ถูกก็รู้ผิดเนี่ยรู้ถูกก็คือรู้ตรงเป้าชัดเจาะตรงนั้นรู้ผิดก็คือรู้กระจายไปเลย พอใจแล้วนะเส้นก็หมดเวลาพอดีก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของเราทั้งหลายการที่จะนำไปศึกษาเรียนรู้ให้เห็นสองอย่างเนี่ยเห็นระหว่างผู้รู้กับผู้ถูกรู้ให้ชัดชัดตลอดเวลาด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ